เก๋ h, เป็นไงเจ๊ก็คราวที่แล้วมาหาหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วบอกหลวงพ่อว่ามีอาการเบื่อเข้ามาทีนี้ก็บกนนะเบื่อเจ้าค่ ะ, ะเบื่อเข้ามาทีนี้ก็กลับไปดูจะรู้ว่าเราไม่ได้ดูอย่างเดียวเจ้าค่ะเราจะมีตีค่าลงไปด้วยว่าชอบไม่ชอบแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีแล้วเราก็เริ่มเลือก อ, อย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างเลยเราจะตีค่าลงไปแม้แต่ก็ทั่งความโกรธ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 ไม่ได้คิดออกดูหลกปัจจุบันไปเรื่อยๆแกใช้ได้แล้วล่ะดีแล้วชมพูซึมไปนิดหนึ่งชมพูพูมากกับใครบ้างวันนี้มีเพื่อนแก่เพื่อนพูแล้วก็ข้างหลังอีกเจ้าค่ะโอ้ทำไมเยอะนักเนาะเคยฝึกกันไหมคนที่ไม่เคยมาส่วนใหญ่เคยเจ้าค่ะ <c oughs>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 ดูเรื่อยๆนะดูไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติว่าคือการทาอะไรเหนือธรรมดาเราเรียนรู้ธรรมดาคือกฎของความเป็นจริงโด<ม>อทั้งใจเราอยอมรับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริง ม, มีความสุขความเป็นจริงก็มีสองด้านความเป็นจริงที่ปรุงแต่งความเป็นจริงที่พ้นความปรุงแต่งเราก็รู้ความเป็นจริงในฝ่ายปรุงแต่งไปก่อนรู้กายรู้ใจนี่แหละ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 ไม่ใช่สงบแบบว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนิพพานไม่ใช่ขาดศูนย์ขาดศูนย์นะั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าอุเฉะทะทิฏฐินันนิพพานว่ามีนิพพานสิกนันนิพพานไม่ได้มีรูปมีนามแต่มีนิพพานคืมีสันตินิพพานมีอีกชื่อหนึ่งว่าวิราคะหมดราคะพ้นจากราคะคือไม่อยากนั่นเองหมดตัณหา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 ลืมกายลืมใจตัวเองอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องก็จะคิดคิดใหญ่หาเหตุหาผลใหญ่นะนี่ตัณหามีทั้งหกตัววนจี้จี้อยู่รอบตัวเราทั้งวันเลยนะเนี๋ยวทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องคิดดูสภาพอย่างเนี้จิตใจใจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเหนื่อยนะเหนื่อยไหม จ, จี้จี้เลยนะยิ่งปฏิบัติตอนท้ายๆนะโอ้โห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 เพราะมันเร็วมากเลยเนี่ยสภาวะที่จิตใจหมุนติ้วติ้วต้ ว, ตวนะวัตตะหมุนอยู่ภายในตลอดเวลานี่ทุกนะ<ม>วันหนึ่งลองคิดดูความหมุนนี่หมดไปไม่มีตัณหาทางทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ถูกตัณหาแท้เหลือแต่กิริยานะดูก็ดูไปอย่างนั้นแหละดูไปโดยใจไม่เข้าไปเสพดูด้วยกิริยาจิตมันสบายกว่ากันเยอะ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 ปรุงแต่งไฟดีรากเง่าก็เป็นอวิชาเหมือนกับปรุงแต่งไฟชั่วอหละเพราะว่ามันคิดว่าตัวเรามีอยู่มันอยากให้ตัวเราดีมันก็เลยไปนั่งทํากรรมฐานเพื่อจะได้มีความสุขทําแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยนะเพราะกําลังทําเพื่อเสริมอัตตาตัวตนอยู่แท้ๆเลยต้องค่อยๆฟังนะธรรมะลึกเราก็เข้าใจยากก็ค่อยๆฟังนะหลวงพ่อพยายามคลี่เคลียออกมาให้มันง่ายๆหน่อย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 ว่ามีแขกมาท่านก็เลยออกมาเดินยิ้มออกมาอีกเนี่ยนอนก็ยิ้มแล้เดินออกมาก็ยิ้มอีกนะโอ้มีแต่ความสุขมาถึงก็มานั่งนั่งก็มีความสุขอีกละเราก็นึกว่าโอ้ท่านนอนก็สุกนะท่านเดินท่านก็สุขท่านนั่งท่านก็สุกเลยท่านก็หันไปยิ้มหวานเลยปฏิบัติแล้วนะนอนก็มีความสุขนั่งก็สุขนะเดินก็มีความสุขยืนก็สุกนะเออแต่ร่างกายไม่สุขนะอร่างกายมันชํารุดทุดโทม แต่จิตมีแต่ความสุขทั้งวันทั้งคืนอยู่างนี้แหลนะความจริงจิตของคนที่ท่านภาวนาเก่งๆเนี่ยไม่ใช่มีแต่ความสุขจิตจะมีอุเบกขาออย่างหนึง่งนะเวลาที่ต้องมาสัมผัสกับโลกเนี่ยจิตจะเป็นอุเบกขานะเวลาอยู่ตามลำพังอยู่กับสภาวะของนิพพานอยู่กับอะไรงี้นะจิตจะมีความสุขนะนะการที่คนเคยเห็นนิพพานแล้วจะเข้าไปรู้นิพพานอีกเนี่ยมีสองทางนะนะ มีสองทางอันหนึ่งรู้สังขารนี่แหละรู้รูป ร, รู้นามไปนะใจมันเคยวางมาชำนิชำนานเนี่ยพอ ร, รู้แว บ, บเดี๋ยววางทิ้งหมดละเข้าไปเห็นนิพพานอีกอันหนึ่งมานาสิการคือนึกถึงนิพพานก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าอยู่แนละ้วไม่เคยหายไปไหนเลยเ<ๆ>ข้าได้สองทาง<ๆ>นี่หลวงพ่อจําตํารามานะในตำราสอนไหมไม่ใช่หลวงพ่อพูดโมเมีลเองในตํารามีทั้งนั้นแหละแต่เวลาห้างนะ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 <ś c oughs> จิตใจเราน่าสงสา ร, รเนาะน่าสงสา ร, รยิ่งกว่าลูกกำพรานย <n ach> น่าสงสา ร, รเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติด้วยกิเลสเวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราทําด้วยกิเลสนําหน้าแทบทุกคนเลยนะมันถึงไม่ค่อยได้ผลสํารวจใจของเราดูให้ดีรู้ให้ทันกิเลสเวลาเราจะปฏิบัติ อย่างเราปฏิบัติเพราะเราอยากจะมีความสุขอยากมีความสงบอยากได้มรรคผลนิพพานนี่ปฏิบัติเพราะโลภปฏิบัติเพราะระาคะบางคนก็ปฏิบัติอยากจะให้มันพ้นจากความวุ่นวายอยากจะให้มันพ้นจากความทุกข์อยากให้มันพ้นวัฏสงสารนี่ปฏิบัติด้วยโทสะพวกหนึง่งปฏิบัติด้วยโมหะอยากปฏิบัติ ไม่รู้ว่าทำยังไงนะมั่วๆไปหลงๆไปคิดว่าทำอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติหวังว่าจะได้โน่นได้นี่นะนี่ก็โลภหวังว่าจะพ้นโน่นพ้นนี่นะนี่โทสะปฏิบัติไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะนี่มูหัดหลงอยู่แท้ๆเลยเรียกว่าปฏิบัติเลเกือบทั้งหมดนะนะปฏิบัติเกือบทั้งหมดหลงอยู่แท้ๆเลยนึกว่าปฏิบัติอยู่ฟังหลวงพ่อยัไม่รู้เรื่องไม่ต้องตกใจนะ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 เด็กเล็กๆยังทำเป็นเลยวันก่อนมีเด็กสิบเอ็ดขวบมานะหลวงพ่อถามปฏิบัติอยู่เปล่าวันนั้นผมมันตอบชาชาชาชผู้ใหญ่นิสันเลยบางคนอะนะ่ะทำไมเด็กมันทำง่ายมันดูซื่อผู้ใหญ่ดูแบบมีชั้นเชิงเมนะื่อก่อนหลวงพ่อสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเล่นกระ บ, บีก่กระบองนะ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 ใจที่ผิดธรรมดานะเราไปสร้างขึ้นมาตอนโตนี่เองคนโบราณเขาแต่งกลอนนะบอกอยากทำได้ถามหญิงต่าผูกหยาบอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควาย mm. ไปถามเด็กเลี้ยงควายซื่อใ ส, อ ส, ส่ดูง่าย mm. ไปถามว่าจะปฏิบัติยังไงดีชอบเด็กเลี้ยงควายมันจะตอบว่าทำไม่เป็นหรอกทําไม่ได้หรอกทําไม่ได้นั่นแหละธรรมะล่ะ ถ้ากูทำได้มันก็เป็นอัตรานะทำไม่ได้หรอกแต่รู้มันไปรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆไปหลปงพ่อคำเขียนเนี้ยชอบสานให้รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆสานดีนะเอา้าคุณสงกันบ้านนะียวันนี้เป็นไงนั่งหลังเนาที่ปลูกไทยอะ่ะจิตตอนนี้กับที่มา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 มันสงสัยมันรับห้องใจอยากจะได้คําตอบจิตใจไม่สบายมาวันนี้ไม่ได้มาหวังอะไรเลยใจโปรงโปรงโล่งโล่ ง, ลงมามันโล่งโลงรู้ว่าโล่งโลงโปรงโรงรู้ว่าโปร่งๆปร่ right? ไม่เคยรู้ถึงความโล่งครับไม่เป็นไรนะค่อยๆดูไปแต่รู้ส <montrer> ึกว่าหลังๆนี้ร like like ู้ว like ่าเราทุกข์เพราะเรามีสัญญาอยู่อ่ะ นั่นแหละดีแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปจริงๆมีคาถามนะครับฮะมีคำถา ม, ถามอีกเหรอให้ถามคือจากคอนเซปต์ตรงนี้คือว่าความทุกข์ที่มันเกิดจากสัญญาใช่ไหมฮะพอเรารู้ว่าเรากำลังมีสัญญาตรงนี้อยู่เนี่ยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเราควรจะมาอยู่กับปัจจุบันนะ<อ>แล้วมันก็ความทุกข์นั้นมันก็หายไปแบบนี้ดีแล้วปฏิบัติถูกหรือเปล่าครับถูกต้องแล้ว เห็นเจนไหมมันมีสภาวะธรรมบางอย่างเกิดขึ้นแล้วสภาวะธรรมอันนั้นก็ดับไปมันก็ไม่ดับคือมันดับเพราะเราไปหยุดสัญญามันนี่ครับไม่ใช่เพราะเราไปรู้ทันเหมือนข้าเราไม่ไปช่วยมันคิดต่ออาศัยสัญญาเขาเลยเกิดสังขารคือปรุงแต่งงั้นตัวสัญญากับเวทนาเนี่ยมีเชื่อนหนึ่งว่าจิตสังขารตัวปรุงแต่งงั้นสัญญาขุดขึ้นมา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 ที่เห็นนั่นเป็นธรรมะล้วนๆเลยนะที่คุณพูดมานะถูกต้องแล้วทั้งนั้นแหละคือมจะต่อไปเรื่อยๆครับคือคือคือเห็นว่ามันมีเหตุแล้วก็มันมีผลอยู่เอครันนี้คือเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันมันเหมือ น, นจะมันจะไม่จบอะครับไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะคุณอย่าอยากให้จบนะคุณอยากให้จบไม่จบหรอกเพราะว่าความอยากยังครอบงําอยู่อันนี้ขอถามคำถามที่สองครับ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 จะเดินที่ไหนเดินในห้างสรรพสินค้าเ็า mm. เรียกว่าเดินจงกรม mm. นั่งอยู่ตลอดเวลาที่นั่งอยู่มีสติอยู่ก็คือปฏิบัติอยู่ละ mm. แต่ว่าการทำตามรูปแบบเนี่ย mm. มีประโยชน์ mm. การที่เรารู้อยู่ในชีวิตประจาวันไปเรื่อยๆนะบางครั้งจิตมันหมดกำลังได้พอจิตหมดกาลังเนี่ยมันจะไปดูแล้วก็กระจายออกไปเหมือนรู้แต่ไม่รู้จริงใจจะไม่ตั้งมัน่น ดังนั้นการทำในรูปแบบนะก็ยังมีประโยชน์เพราะฉะนั้นตกค้ำไห้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรย่างี้ไม่ละเลยนะเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำแต่ว่าทำแล้วมันจะพลิกแปลงไปหลายแบบแบบหนึ่งทำไปแล้วเคลิ้มเคลมไปขาดสติอันนี้ใช้ไม่ได้ที่สองทำแล้วจิตเข้าไปแนบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นอันนั้นได้สมถะได้พักผ่อนที่สามมันเห็นร่างกายทางานไปใจเป็นคนดูอันนี้ทำวิปัสสนาดูกาย ยังไม่ได้ไม่เป็นไรข้ามไปอย่างที่สนีะ่เช่นเรานั่งพุโทโธนั่งหายใจอะไรก็ได้ทํากรรมฐานอย่างที่เคยทํานะอะไรก็ไดนะ้แล้วหัดดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปต่อไปเราจะดูจิตออกสแสดงว่าก็สแสดงว่าที่ผมเข้าใจว่าความเข้าใจที่บอกว่าเวลาเดินจงกรมแล้วเหมือนกับมันไม่ค่อยได้ความหมายอะไรมันก็เหมือนกับเราปฏิบัติทั่วไปจเจริญสติทั่วไปในการทํางานในชีวิตประจําวัน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 ที่บอกหลวงพ่อคราวที่แล้วค่ะมันยังค่อนข้างเบลอแล้วก็ตอนนี้เวลารู้สึกว่ามันเบลอเนี่ยก็พยายามหันไปดูกายแทนว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยค่ะแล้วบางครั้งเวล า, <อ>าท <ำ S 2> ะนะเวลาดูกายอะ่ะไม่ใช่ดูว่าขณะนี้ทำอะไรอยูนะ่เวลาดูกายเนี่ยดูให้เห็นว่าไอ้ตัวที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก ถ้าไปดูว่าอตอนนี้กายกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะค้าแล้วเวลาทําสมาธิเวลาบริกรรมว่าพุโทโธเนะะี่ยค่ะแล้วจิตมันคิดเผลอเรื่องอื่นเนี่ย ม, มันเหมือนมันซ้อนอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้ทันว่าจิตเป็นอย่างนี้เหมือนกับซ้อนกันสองอันแล้วพุโทโธก็พุโทโธไปคิดเรื่องอื่นก็คิดไปเพราะมันพุโทโธจนอัตโนมัติแล้ว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 อีกวันหนึ่งเหมือนคนปฏิบัติไม่เป็นนะะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเพราะอะไรเพราะจิตกำลังสอนธรรมะอีกบทเรียนหนึ่งแต่เราเรียนไม่ทันเรานึกเหลือว่าเราจะฝึกแล้วจิตจะดีขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนกันทุกวันจิตเที่ยงหรือจิตเป็นอัตตาหรือตามจริงจิตกำลังแสดงความเป็นอนัตตาให้ดูแกอย่ามาบังคับฉันเลยฉันไม่ยอมแกหรอก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 แต่แต่ละวันเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมเอาแน่ไม่ได้แต่มันจะตกใจตอนที่มันเสื่อมนานเกินไปค่ะบางทีมันหลายหวังมากเนี่ยคว่าเกินไปน่ะเกิดจากอะไรคําว่าเกินไปเกิดจากคาดหวังว่ามันน่าจะน้อยกว่านี้คุณไม่คิดด้วยนะคะไม่หาเหตุผลด้วยเสื่อมก็เสื่อมไปอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่จะดีสังเกตไหมใจมันไม่ชอบแต่มันไม่ชอบเนี่ยมันไม่เป็นกลางที่หลวงพ่อบอกมันไม่เป็นกลางเพราะฉนั้นใจมันเสื่อมเพราอมันเสื่อมไม่พอใจเพราะมันเจริญพอใจเห็นไหม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 จึงออกผลออกมาเป็นปรากฏการ์อย่างหนึง่งนี้บางครั้งสภาพรู้ไม่ทันบ้างก็จมเหมือนกันได้เห็นเพิ่งหลุดเมื่อคู่นี้เองเพราะว่าเพิ่งมานึกได้ว่าจิตมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ือก็ก็เพิ่งจะหลุดนะครับหลวงพ่อเล่านะสมัยที่หลวงพ่อปฏิบัติยังไม่ได้ปวดออกหลวงพ่อเขียนกระดาษไว้นะแปะไว้ข้างฝา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 เพราะว่าพอตะกี้นี่ก็ยังติดอยู่ติดก็รู้ว่าติดก็ไม่พยายามที่จะดิ้นมากเพราะว่ายิ่งดิ้นมากก็ยิ่งทุกข์มาออก ค, นะคือตัวสภาวธรรมแต่ละตัวนะก็แสดงธรรมะาให้ดูกระบวนการทำงานของจิตก็แสดงธรรมะาให้ดูมีหลายชั้นนะจนถึงวั ต, ตาอันใหญ่สงสารวัตรนี่เวียนตายเวียนเกิด น, นี่ก็เป็นวงอันใหญ่ในวงอันใหญ่มีวงเล็ก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 ตั้งแต่เล็กที่สุดในอนุจนถึงในจักรวาลเื่อนที่หมดเลยเป็นอันเดียวกันอยู่ในกฎอย่างเดียวกันอ่ะสก่นิษฐ์อนลงนครับไม่ไม่ได้โหมแล้วครับก็รู้สึกว่าสบายขึ้นแต่ว่าบางบางครั้งก็จะเห็นว่าสภาวะที่รู้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเหมือนสมองมันจำได้มากกว่าม่ที่จิตจำได้ กระทั่งความรู้ในธรรมะนะสมองมันจําแต่ว่ามันไม่ได้เข้าใจคนโบราณตั้งศัพท์เกียงนะว่าเข้าใจอะเข้าถึงใจจริงๆนะแล้วที่จะข้ามภพข้ามชาติจริงๆเราต้องให้จิตมันเข้าใจ <c oughs> ถ้าอยู่ในสมองนะเดี๋ยวสมองฟอก็ลืมหมดล้วดูต่อไปเรื่อยๆใช่แต่วันนี้ใจไม่กระฟีกระเปล่านนะใจอ่อนไปนิดหนึง่ง <c oughs> แอคทีฟนิดหนึง่ง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 อึเผลอเผอบ่อยคะหลวงพ่อก็กิเลสก็เกิดบ่อยขึ้ น, นะค่ะดีแล้วอ๋อหลวงพ่อชอบแล้วก็เดี๋ยนี้บางทีเพลอหรือเพ่งไปมันมันรู้เร็วขึ้นเออดีเหลือดีคแต่ช่วงนี้ผัดสายเยอ ะ, ะค่ะหลวงพ่อจิตมันก็เลยรู้สึกช่วงไหนก็ผัดสายเยอะนะไม่ค่อยตังค์มากทุกเนก็ผัดสายเยอะทุกวันแหละตามองเห็นหูได้ยินใจคิดก็เหมือนกันทุกวัน ไม่มีนะช่วงนี้ผัสสะเยอะช่วงนี้ผัสสะน้อยเพราะผัสสะเกิดตลอด <c oughs> ชิปปะไหมชิปตอนนี้รู้สึกเหมืนมอมนโมหะ่าอขึอถูกต้องละอ่ะพุ้งอ่ะก็ความอยากเยอะมากก็ค่ะอยากดีอยากทุกอย่างนี่ไงเราปฏิบัติด้วยกิเลสที่ลงพ่อบอกอ่ะ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 แต่น้อยกว่าเมื่อเย็นวานไม่เย็ น, วา น, ยนวานแรงกว่านี้แรงถึงจุดที่ขับห้องใจแล้วแต่เมื่อเช้าตื่นมามันมัวมัวใจก็รู้เลยว่าอยากดีแล้ว ก, ออมมก็ทุ่มมากทุ่มมากเอ อ, เ อ, อ ด, <ป>ดีดีที่รู้ทันน่าคุณยายคุณยยครับวันนี้ก็ตื่นมาแล้วอยากปฏิบัติเลยใช่ไหมะ หยิบขึ้นมาเลยอ๋ oh, หยิบมาเลยหยิบมาเลยแล้วดูใช่ไหมแล้วพอดูรู้ไปรู้ไปเดินจงกมแล้วรู้รู้ไปแล้วเสร็จแล้วมันเหมือนกับเบาพอเบาแล้วเหมือนกับเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยแล้วดูแต่ว่ารู้รู้แต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรอืม mm hmm, mm hmm. แต่มันสบายเ แ, แ, แต่อย่าอยู่นาน <c oughs> ถ้าอยู่ตรงนี้นานต้องแก้แต่แช่ <c oughs> แต่มันจะแช่ เพามันสบายแล้วเสร็จแล้วพอออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนั้นมันจะโมโหเก่งถ้าอยู่ข้างในแล้วสบายแล้วเราก็ไม่ติดมันด้วยเพิ่มาครั้งแรกนะครับคุณพอ่อฝึกอยู่วัดไหนเคยอยู่วัดป่ะเคยครับเล้วภาวนาแบบไหนก็เคยภาวนามาหลายแบบคุณพ่อแต่แต่ความเู้ใจของผมก็คือว่าถ้าเราไปตีกรอบในการปฏิบัติต่างๆอ่ะมันไม่ใช่ถ้าถ้าเราไปตีกอบในการปฏิบัตินะครับ ไปคิงครับไปการปฏิบัติเกินไปมันไม่ใช่เพราะจิตของมันเน่ะจิตบนแท้ของมันเป็นปกติอยู่แล้วทุกอย่างมันสภาวะมันก็ต้องรู้ตื่นโดยกบานขึ้ในในตัวของมันเองอะไรก็ตามที่ไปซ้อนกับมันอะไรก็ตามที่ไปซ้อนมันก็มันก็ผิดตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นในการคิดที่เริ่มปฏิบัติแล้วเด๋ยวตั้งมันจะฝังฝังไม่ค่อยออกอ่ะคือผมหมายผมหมายคือว่าอ๋อหมายตัวนี้ต้องห่างนิดนึงมั้งลดลงมาอีกนิดไม่อยู่ห่างห่างปากเรานิดนึง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 คือตอนเนี้ยสติตัวจริงของคุณยังไม่เกิดขึ้นนะก่อนจะบอกหลวงพ่อต้องระมัดระวังเดี๋ยวโดดขึ้นตเตะเราข mm hmm. ี้โมโหต้องให้ตั้งหลักก่อนจะได้ไม่โมโห mm hmm. สติตัวจริงยังไม่เกิดขึ้นนะค่อยๆฟังนิดหนึ่งในนี้ต้องแก้ไขยังไงครับไม่แก้หัดรู้สภาวะไปะ mm hmm. ทํากรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วหัดสังเกตใจตัวเองไป mm hmm. จริตนิสัยของคุณหมอที่จะดูจิตใจมันชอบคิดอยู่ เพราะงั้นทํากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งสมมุตินะสมมุติว่าพุทโธสมมุติเงี้ยพุทโธพุทโธไปแล้วใจหนีแวะไปคิดรู้ทันแลพุทโธแล้วใจสงบรู้ทันใจฟุ้งซ่านรู้ทันหัดรู้สภาวะนั่นเองนะเราหัดรู้สภาวะมากๆอยู่ในโลกข้างนอกนี้ก็หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะเช่นเราขับรถอยู่วันนี้เจอแต่ไฟเขียวสบายใจรู้ว่าสบายใจเจอแต่ไฟแดงไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจรู้ไปเรื่อยๆนะ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 สติเกิดเองไม่ได้จงใจถ้าจงใจจะเป็นอย่างที่คุณบอกเมื่เกี้เข้าไปบังคับอันนั้นไม่ถูกต้องความเข้าใจที่คุณรู้ในพื้นฐานนะ่าถูกต้องแล้วนะนี้ต่อไปนี้ฝึกให้สติตัวจริงเกิดด้วยการหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆอ่ะเบอร์เก้าหรืออ๋อไม่ชี้มาด้วยเหรอว่าไปไม่ชี้นั่นสกัน์พอเจ้าค่ะอืมจริงๆตอนแรกวันนี้คิดว่าจะไม่มีกันไม่มีรายงานส่ ง, งเจ้าค่ะ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 หรวงพเห็นสองสามคนแล้วที่เป็นอย่างนั้นที่ฝึกแบบที่แม่ชีเคยฝึกเมื่อก่อนอย่างพาพาให้ดูพออยากจะพูดนะพาให้ดูความอยากพูดความอยากพุ่งจะพุ่งอย่างรุนแรงเลยมันแรงกว่าคนทั่วๆไปอีกถ้าจะรีบไม่ดูทําไมไม่รู้ไม่ชีนะออกดูออกไปว้างๆอางนี้ยใจก็จะไม่มีอะไรโล่งๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตที่ไปรู้รูปเนี่ยไม่มีกิเลสจิตที่ไปฟังเสียงไม่มีกิเลส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 มันรู้อารมณ์ทีลานทีลานจิตที่ฟุ้งซ่านก็มีสมาธิอยู่เพียง<ม>แต่ว่ามันจับอารมณ์นี้ปล่อยอารมณ์โน้นจับรวดเร็วมากแลกภาษามนุษย์เลยบอกว่าฟุ้งซ่านแสดงว่าไม่มีสมาธิหรือบอกเด็กสมาธิสัน้นอย่าว่าแต่เด็กสมาธิสั้นเลยใครๆก็สมาธิสั้นทั้งนั้นแหละเพราะสมาธิเกิดดับทีละขนาดจิตเดียวอีการหนึ่งที่ถามหลวงพ่อเวลาหนูเห็นปัมโกดและมันดับไปอย่างนี้นะคะค่ะ หนูเห็นเหมือนกับโทษทิศเหลือแล้วเหลือแล้วค่ะหนูเห็นเหมือนกับพระอาทิตย์นะคะมันมันขึ้นแล้วมันก็ตกหนูไม่มีความรู้สึกว่ามันเกิดดับนะหนูเห็นเหมือนเห็นอะไรที่เออ เ, เห็นอย่างนั้นก็พอละนะคําว่าเกิดดับเลยนะี่ยเป็นคำสมมุติถ้าเราเห็นว่าสภาวะอันนี้เคยมีอยู่แล้วไม่มีอยู่ก็เรียกว่าเกิดดับถ้าสติเราไวๆถ้าเราเห็นในจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะจะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นหรอกไหมมีช่องมาขั้นนะ ดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมางขัง้นจิตแต่และดวงเนี่ยขาดออกจากกันแั่นั้นแหละขึ้นวิปัสสนาจริงๆเลยเอาๆส่งมาให้จันตูหน่อจันตูจะลำพันนะ่อะอคือว่ามันเห็นเฟรมอย่างางี้ น, นะคะหลวงพ่ อ, อจนน่ากลัวเพราะว่าคือมันมันไม่มีอะไรที่มันต่อเนื่องไปไเลยค่ะต่อเนื่องหรือสันตติเนี่ยมันภาพลวงตา คือหนูเห็นที่หนูกลัวสุดคือตอนขับรถอะค่ะหลวงพ่ อ, อเพราะมันวิบหายไปแล้วก็มันก็ลกลับมาอีกแล้วมันเคลื่อนไปแล้วกลับมาอีกคือถูกเกิดอาการโกรธอุบัตนะิเหตุอะค่ะก็อย่าไปขับมันจิตนะั้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะตลอดเวลาไม่ใช่อันเดียวใช่ค่ะส่งไปข้างหลังหน่อยไปดับเลยหลวงพ่อเออตอนนี้ก็คือตามดูไปเรื่อยเจ้าคะ่ะแต่ว่าบางครั้งก็รู้ว่าเผลอเพ่ง เออดีดที่รู้อืมมันจะคิดคือเมื่อวานเนี้จะคิดโอ้อันนี้คิดเยอะมากระหว่างที่ที่ดูอยู่เริ่มคิดนี่แล้วก็กลับมาแล้วก็เผลอไปเพ่งอีกก็รู้ว่าเพง่งเขรู้เพ่งก็รู้ว่าเผล อ, อ, อ, อแล้วก็กลับมาดูตามดีแล้วดีแล้วที่เพ่งแล้วก็รู้ว่าเพ่งแล้วมันเลิกอ่ะแต่ว่าเป็นการเพ่ง เ, เบาๆอ่ะเจ้าค่ะไม่ไม่ได้ถ้าเพ่งแรงๆมันไม่เลิกเพ่งแรงแล้วมันจะค้างอยู่นั่นแหละหลายวันหลายเดือนแล้วก็มันก็สลับกันไป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 แต่ดูตามที่เขาเป็นไม่ใช่ดูแล้วลุ้นว่าเมื่อไหร่จะดับคือเหมือนตบบว่าค่อยๆ อ, อ่อนมันค่อยๆจางลงจางลงเออเดินไปอักส่ตต่อไปนวัดนนวักนกนกสการหลวงพ่อโ่ธรามาที่นี่ก็ได้รับความรู้เยอะได้ไดมาฟังหลวงพ่อบรรยายก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะ ดีแล้วเข้าใจนเยอะะนยมสบายใจนะรู้ว่าสบายใจนะเดี๋ยวออกไปกระทบโลกข้างนอกไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจก็นึกถึงหลวงพ่อน่ะดูดูอยู่แค่เนี้ยว่าสบายใจก็ชั่วคราวนะไม่สบายใจก็ชั่วคราวดูทุกอย่างเห็นเป็นของชั่วคราวคือมาฟังหลวงพ่อแล้วก็เข้าใจแล้วก็พยายามปฏิบัติอยากจะขอคําแนะนำหลวงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะแม่ชีทําอะไรอยู่ อ่าตอบถูกอะเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดเชิญอยกจะขอคาแนะนำหลวงพ่อในการเริ่มปฏิบัติะคะ่ะเริ่มปฏิบัตินะเราเป็นคนคิดมากเราดูใจของเราไปใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาสดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาแห้งแรงรู้สึกไหมวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันเช้าสายไปเย็นความรู้สึกของเราเปลี่ยนเรื่อยๆคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไป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 ในสมัยสุขโขทัยเนี่ยพระจะเป็นเส้นที่เรียวบางพริ้วดูเบาสื่อว่าธรรมะเป็นของที่เบาสบายพระเชียงแสนนะอ้วนๆยิ้มๆอ้วนๆ น, นะสื่อว่าธรรมะเนี่ยให้ความอิ่มเอิบพระอู่ทองหน้าเหลี่ยมๆดูดูสื่อว่าธรรมะเป็นเรื่องจริงจังนะ พออมาพระรัตนโกสินรัตนโกสินหรือปลายปลายวิทยาตาทรงเครื่องยุคนี้พวกบ้าสมบัติเยอะมาถึงยุคเรานี่รู้สึกไหพระมั่วๆใครอยากสร้างอะไรก็สร้างมั่วไปเลือยพวกไม่มีธรรมะไม่เข้าใจธรรมะอะไรสักอย่างเดียวค่เก่งนะใจ ค, ค, คิดเก่ง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 นะคะคือจับทันว่ามันหมุนหงิดแล้วนาทีที่มันจับทันเสร็จปุ๊บเนี่ยความหงุดหงิดมันจะลดลงแล้วพอลดลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องจับตามมันต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะว่าความรู้สึกณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรต่อไปหลวงพ่อถามนิดนึงหงุดหงิดน้อเพื่ออะไ ร, ออะไรคือเหมือนถามว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าจับจิตเราอยู่ตอนนั้นว่ามันหมุนหงิดขึ้นมาพอดีเลยแล้วเรารู้สึกว่าแล้วทําไมต้องหงุดหงิดน้อล่ะหงุดหงิดน้อเป็นส่วนเกินละ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 ส่งกิจแนบไปอยู่ที่ท้องส่งกิจแนบไปอยู่ที่เท้าส่งกิจไปแนบกับลมหายใจหรือแนบกับมืออันนี้เรียกว่าอารม์มนูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์การเพ่งอารมณ์นี่คือการทำสมถะกรรมาฐานนะเพราะนันใจเราจะไม่ดิ้นไปที่อื่นนะใจจะเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องพอเราทำสมถะไปนานๆ น, น, นี่นะปีติก็เกิดขึ้นมาอาจจะขนลุกสู้ซา ข, ขึ้นมาน้าตาไหลนะ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 ร่างเคลื่อนร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเต้องอย่างนี้แต่ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่กับกายอั น, นี้เป็นสมถะถ้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูจะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปที่กําลังเคลื่อนไหวอันนี้ทำวิปัสสนานะสมถะกับวิปัสสนานี้อาการจะต่างกันแล้วกออออบควรถามหลวงพ่อว่าอย่างที่ฉันนะควรจะปฏิบัติด้วยย<ม>เนคเคยทําอะไรก็ทําไป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 แต่พบว่ามันไม่ลา ก, กิเลส อ, อาจารย์โมโหนะอาจารย์ไล่มาแกลงมาที่กําแพงเพชรไปเจอแม่ชีนไนท์ที่กำแพงเพชรไปเล่าบอกสงสัยเราโดนหลอกมดิฉันสงสัยดิฉันถูกหลอกสี่สิบปีแม่ชีบอกฆ่าถูกหลอกหกสิบปีที่จริงไม่ได้ถูกหลอกอะไรหรอกมันเป็นสมถะมันแค่แค่ออกว่าอะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสสนาเท่านั้นแหละ ลองดูท้องฟองยุบไปดูของจริงเลยทําวางไมโครโฟนนะวางแล้วกําหนดท้องฟองยุบไปคือลูกยังไงคะลองหลายสายหลายแนวมากไม่ใช่ไม่ใช่ลองทำท้องฟองยุบไปหลวงพ่อจะพาให้ดูว่ามันเป็นสมถะยังไงปฏิบัติไปเลยเหมือนที่ทําจริงจริงอะ่ะลืมหลวงพ่อซะเนี่ยรู้สึกไหมเราถลําลงไปจ้องใส่มันจิตเราเคลื่อนลงไปจ้องมันรู้สึกไหม